เพราะความเจริญในธรรมจงมีแตท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้การปฏิบัติอบรมจิตในส่วนที่ทรงสดแสดงว่าภาวนาวภาวนานั้นก็คือการเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่แล้วให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนถึงจุด จะเรียกว่าสมบูรณ์ในฐานะนั้นนั้นเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัติก็ได้ทรงแสดงไว้เหมือนกันในที่ต่างๆคือสัตตานางวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายครนีเนื่องจากจิตใจของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายนั้น มีสิ่นี้ท่านเรียกว่ากิเลสเละเรียกชื่ออย่างอืง่นแต่ทำจิตใจของบุคคลให้ขุดมัวเศราาหมองไปทำให้การกระทําทางกายบ้างทางวิจาบ้างและแม้แต่ความนึกคิดในทางใจบ้างตรงอูภายใต้อำนาจของกิเลสซึ่งมัได้เกิดการเบียดเบียนต้องตนเอง และบุคคลอื่นบ้างระเบียดเบียนเฉพาะบุคคลอื่นบ้างระเบียดเบียนเฉพาะตัวเองบ้างปัญหานเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่เป็นอยู่ในโลกตั้งแต่โลกมีคนมาแล้วดา น, นผู้มีฤทธิ์กากากถึงทรงเสดสรุธธรรมะที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด อยงสัตว์ทั้งหลายนั่นก็คือการพยายามบรรเทากิเลสที่มีประเภ ท, ทต่างๆให้สงบลงไปในฐานะนั้นๆโดยมีขั้นตอนในการประพิธปฏิบัติตามคุณลักษณะของธรรมะที่เราเรียกว่าสันเลกธรรมคือธรรมะที่ทมหน้าที่ขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตใจของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเมื่อเรากล่าวโดยสรุปก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสีสมาธิปัญญาแต่ได้จากสขั้นตอนของศี่สมาธิปัญญานันเองประสงเก็บนกแสดงออกไปอีกโดยพิสดานแต่ผลจากการปฏิบัติก็จะออกมาในเรียนกันนั่นคือสัตตานังวิสุทธิยาความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตตังไย ปนาหาสำคัว่าอยู่จะบริสุทธิ์ในชั้นไหนถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ในชั้นนั้ น, น, นๆกระบการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนต่างๆนั่นเองคือจบในชั้นนั้นๆกระยอมรับนับถือในฐานะนั้นแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องศึกษาจะต้องเพิ่มพูนต่อไปอีกจนถึงจุด ที่จบการศึกษาจริงๆเรื่การศึกษาในทางโลกนั้นยังไงก็ไม่มีวันจบในทางพุทธศาสนาจะมีวันจบได้เรียกว่าจบกิจที่ควรทำํำรวนมาลีทั้งใช้คำว่ากระตังกระริยังกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว คิดที่ควรทําเมื่อกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการละกิเลสโดยการเพื่อพูนความดีนั้นเราจะมองจากอวาตปาติโมกข์ที่ทรงแสดงโดยสรุปว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์หรือการนทำดีได้ฟ่องแผ้วก็ได้หรือมองจากจุดของการละความชั่วเพื่อความดีก็ได้ หรือมองให้เต็มทั้งแผงของการประพฤฏิบัติตามโครงสร้างของสมาวายามักคือความพยายามชอบก็ได้ในความพยายามชอบนั้นจะทรงแสดงขั้นตอนของการประพฤฏิบัติเอาไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันโดยให้บุคคลผู้นั้นปลูกฝังความพอใจ ใช้ความเพียรเป็นอย่างแล้วก็ททำความเพียรโดยติดต่อในการป้องกันความชั่ววิกฤต่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นการปฏิบัติในชั้นนี้ตัวหนึ่งก็เป็นศีลที่สาธารณะทั่วไปแตก่แก่ความไม่กล้าร่วมการสำรวมระวัง การไม่ละเมิดคุมกายวาจาของตนดูให้ปกติมีความสงบเย็นเกิดขึ้นในฐานะนั้นๆบางอย่างก็เป็นเรื่องของศีลที่ประนีตคือหมายความว่าสาธุชนผู้ไปไม่ถือว่าเป็นศีลแต่สำหรับผู้ที่บวชเข้ามาถือว่าเป็นศีล นั่นคือหลักที่เราเรียกว่าอินทสียสมวัในที่นี้ทรงใชก้กคาสังวรระิานคือเพียนพยายามป้องกันไม่บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจตัวเองระแต่จริงแล้วบาปอกุศลทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยสองประการเสมอไป ประการแรกก็คือธาตุหรือเชื้อของความชั่วที่มีอยู่แล้วภายในใจประการที่สองก็คืออารมณ์ที่บานพานางตาหูจมูกดิดกายใจอารมณ์ที่ผ่านมาเหล่านั้นถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีือเราไปกาหนดว่าน่ายินดีที่เลสายโลภาก็เกิดขึ้น ถ้า ก, กำหนดว่าไม่น่าหยิดดีกิเลสสายโทสะก็เกิดขึ้นกำหนดอะไรลงไปไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจปัใจไม่ได้กิเลสสายมัวนก็เกิดขึ้นซึ่งแสดงเห็นได้ว่าถ้ามีการสำรวมระวังเอาไว้ก็มีอยู่เฉพาะส่วนภายในส่วนภายนอกไม่เพิ่มขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลใช้การปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าวานประทานคือเปลี่ยนพยายามลดละปรจดากิเลส ท, ที่มีอยู่แล้วให้ลดน้อยถอยกำลังลงไปอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในจุดที่เราคุมได้จ่งการคุมกิเลสได้นั้น จริงๆแล้วต้องอยู่ในระดับธรรมะที่ประณีตพอสมควรในชั้นศีลก็คุมได้อย่างอยาบาการวัดชั้นสมาธิจึงเป็นการคุมกิเลส ท, ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ถ้ายังเดินไปไม่ได้ก็ทรงแสดงธรรมะเป็นข้อๆไปก่อนคือยังน้อยก็ให้ละในจุดนั้นๆเรื่องบางเรื่องยังละไม่ได้ก็ยังไม่สอน สง ส, สารเฉพาะจุด ท, ที่เขาพอจะละได้ไปก่อนแต่ว่าจุด ท, ที่ลนั้นที่จริงเป็นการบั่นทอนเรียบแรงกําลังของกิเลสให้อ่อนร่อยลงซึ่งเมื่อส่วนที่ยังไม่เกิดได้ถูกป้องกันไว้ส่วนที่มีอยู่แล้วได้ถูกบาบัดขจัดปัดเป่าลงไปความเร่าร้อนรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นก็จะสงบลงไปโดยลําดับ ในจุดหนึ่งทรงใช้กัำว่าภาวนาประการจะทรงสอนบุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทําความเพียรอย่างต่อเ น, นื่องอันเป็นคุณลักษณะของชาวพุทธที่ทรงใช้ัำว่าเป็นผู้ตื่นโดยทรงสแสดงคุณลักษณะของความเป็นชาวพุทธว่าเป็นผู้ตื่นและตื่นอยู่ด้วยดี ทั้งกลางคืนและกลางวันเน้นไปที่การใช้สติในการดรํารงชีวิตซึ่งบางอย่างก็ทรงเน้นไปที่ปัญญาเป็นทรงแสดงว่าสาวกของพระพุทธมีแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายมนุ่งเรืองด้วยปัญญาจะเน้นไปในการใช้ปัญญาทะเน้นไปในการใช้ปัญญาแสดงเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ถนเน้นไปในด้านใช้สติ แ, แสดงว่าเป็นสมถะกรรมฐา น, ฐานถึงก็เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันในการใช้สติก็ต้องมีปัญญาในการใช้ปัญญาก็ต้องมีสติและก็มีความเชียอธรรมารถสามอาการนี้จะทรงแสดงไว้ถูกจุดของการประพฤติปฏิบัติว่าองค์ธรรมจะมีครบทั้งสามข้อหรือไม่ก็ตาม แต่ในการปฏิบัติแล้วจะต้องมีครบทั้งสามข้อพระสกาศไปข้อหนึ่งพใดข้อหนึ่งธรรมะจะเดินไม่ได้นั้นการใช้ความพยายามที่จะเพิ่มภูมิุศลขึ้นไม่ใช น, น, นการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะกรรมฐานก็น ค, คือการพยายามมีสติควบคุมอิริยาบถ ท, ทั้งหลาย ว่าจะทำอะไรก็ตามให้มีความระ ล, ลึกรู้อยู่ในการกระทำนั้นๆทำแนวของสั ม, มปชัญญะปปะคือหมวดที่ว่าโดยการใช้สัมปชัญญะนั้นส่วนเน้นไปที่การระลึกรู้เท่าทันต่อการเคลื่อนไหวทุกจังหวะของริยาบทไม่ว่าจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่แข่งจะเดียดแข่ง จะทำอะไรก็มีสติแผ่ไปสติที่ใช้ระลึกนั้นก็ระลึกได้ทั้งสามช่วงคือทรงใช้คำว่าลึกซึ่งสิ่งที่ทำและคำที่พูดทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นแม่นานแล้วได้ระลึกได้ในขณะนั้นๆมีลักษณะที่ท่งนใช้คำว่าธารณาคือทรงเอาไป อย่างการปฏิบัติอนาปานสติกรมาฐานที่ถือประพฤติปฏิบัติกันโดยกว้างขวางนั้นเป็นลนักษณะทรงสติไว้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกส่วนอารมณ์ที่ใช้ประสมผสานกับลมหายใจเข้าออกนั้นที่จริงเป็นเรื่องของบุรพาจารย์ในอดีตหรือท่านมองเห็นว่า คนสมัยพุทธกาลเป็นยุคทองทางศาสนาคนเล่านั้นมีพื้นฐานการศึกษาสนใจเรื่องนี้มากๆพราเวลาเขาปฏิบัติก็ปฏิบัติได้เลยตามหลักที่สงแสดงไว้ไว้บุคคลเข้าไปที่สัา น, นั่งคูบรหลังตั้งกายให้ตรงประบรมสติไว้เฉพาะหน้าเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นการตั้งสติสัมจัญญได้ความเพียรในลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกอย่างนี้สมหรับคนที่ทำจนคุ้นคือเสพจนคุ้นแล้วมันก็ไม่อยากเหียนอะไรเพาะทได้ แต่ถ้ามาคนที่ฝึกใหม่ๆก็จะยุ่งยากอาจจะเกิดเกรงอาจจะเกิดเครียดท่านจึงจคิดห า, าวิธีต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจกีวกับการานาคือการนับอาจนับอะไรก็ได้ให้สติอยู่เนื่องกับการนับจริงๆก็คือให้สติระลึกสัมพันธ์กับสิ่งที่ตนนับนั่นเอง แต่ทีนี้แต่ก็เน้นที่ลมหายใจนั่นเองแต่มาใช้นับไปก่อนดตานลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งแตตอนต้นๆเราจะนับไปเรื่อยๆกันเพื่อปรับจิตให้อยู่กับการนับเสียก่อนเห็นว่าพอจะก้าวบันไดที่สองได้ก็นับเป็นชุดๆอย่างดีสั้นกันแต่ในการนับนั้นสติก็ต้องระลึกถันอยู่ทุกขณะ เผลอไม่ได้พั้งไม่ได้พลาดไม่ได้หมายความว่าถ้าเผลอพั้งพลาดขึ้นมาใจก็ไม่สงบแต่ปัญญาจะต้องสอดส่องการระลึกอยู่ด้วยเพราะในขณะที่เรานับอยู่นั้นสติอาจจะขาดได้อาจจะเผลอได้แต่หลายตอนด้วยกันจนงอาจจะขาดในตอนช่วง ของการนับตัวอย่างเช่นตองการจะนับหนึ่งหนึ่งถึง 8, 8. แปดแปดเกิดเป็นลังเลอยู่ตอนเจ็ดเจ็ดสงสัยว่าเป็นแปดแปดหรือว่าเจ็ดเจ็ดลังเลแม้ชั่วขนาดหนึ่งก็ถือว่าสติขาดแล้วในเชิงการใช้ชีวิตประจำวันนั้นสติขาดขนาดนั้นมันก็เป็นปัญหาได้แล้ว เราไปทำงานที่ิงเสี่ยงเสีย่ยงการขับรถด้วยเกี่ยวเครื่องยนต์กลไกลหรือการกดปุ่มอะไรต่างๆหมดตลยเรีร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วตอนนั้นท่านยงถือว่าขาดกาดยังไม่ได้ประการต่อไปแม้ไปถึงแ8ดแปดแล้วรอจึง ง, งสงสยัยแปดแปด99งเก่าเก่าเจะเผลอนับเลยไปถึงเก่า่า มัญธิอาจจะเผอในเชิงลำดับนั่นเองแม้จะคล่องปากก็ 1, 2, 3, 6, 7, ตามจะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดก็อาจจ ะ, ะโดดข้ามไปก็ได้แต่ถ้าข้ามก็ถือว่าสติขาดมากเกินไปเนื่องจากจริงๆแล้วการนับขนาดหนึ่งถึงสิบนั้นเราคล่องเรียกว่านับกันจนคล่องปากสติอาจจะไม่อยู่กับนับได้ ตอนนี้อาศัยความคล่องปากเป็นเกณฑ์แต่ถ้าใครลงถึงว่าขนาดเผลอในช่วงในช่วงของการนับถือว่าสติบกคร่องออกมาตอนนี้ก็สอนให้ฝึกไปเรื่อยๆคือฝึกตั้งสติไว้ในที่หนึ่งก่อนหรือ ว, ว่าเราฝึกสติตั้งสติได้ในโอกาส ต, ต่อไปก็สามารถตั้งสติในส่วนอื่นๆได้ การฝึกปฏิบัติในแนวนี้ก็เป็นเหมือนกับการฝึกอะไรสักอย่างองจาจจะการฝึกกีฬาหรือฝึกฟุตบอลเป็นต้นหือฝึกในที่ใดที่หนึ่งสักแห่งแล้วเมื่อฝึกได้ชำนิชํานาญแล้วจะไปเล่นที่ไหนก็ได้เพราะการตั้งสติอยู่กับลมก็ดีเอาพุโทโธก็ดีหรือว่า ก, การนับก็ดีหรือการดูที่จุดตรมถูกต้องก็ดีที่จริงก็คือการฝึกให้สติไปจับอยู่ตรงนั้นให้ได้เสียก่อน แต่ชีวิตเราก็ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ทั้งเป็นวันๆก็มีกิจการงานจะต้องจัดจะต้องทำํำจะเป็ น, น, นต่างๆเพราะสติที่ฝึกไปดีแล้วเวลาไปปฏิบัติงานงานเราอื่นเกี่ยวข้องบุคคลเราสติที่ได้ฝึกไปดีนั้นก็จะช่วยคุ้มครองบุคคลนะเป็นจริงแล้วสตินั้นจะต้องใช้ในที่ทั้งถวงอย่างที่ ท่านแสดงไว้ว่าสติสัม ป, ปัตตปฏิยาสติต้องใช้ในที่ทั้งพวงว่าจะทำอะไรก็ตามไปขาดสติแล้วก็จะมีปัญหาการบำเพ็ญภาวนาในรูปของการฝึกสติจริงๆแล้วพระเจ้าทรงปรับมาตั้งแต่ต้นแล้ ว, ลวทรงมันญยัดไว้ในศีลแล้วก็แขวงเอาไว้ เป็นต่างหากว่าบุคคลในพิจารณาตรวจสอบศีลน่าจะเห็นได้ว่าเรื่องศีลทุกข้อมีสติอยู่ทั้งนั้นมีความเพียรอยู่ทั้งนั้นมีปัญญาอยู่ทั้งนั้นในช่วงของการสํารวมระวังเป็นอาการสติชัดเจนจชสมาทานศีลไปแล้วหรืออยู่ในฐานะที่เป็นผู้มีศีลเป็นพุทธสุเป็นสามเณรอาการที่สํารวมระวังคือเป็นอาการของสติ เวลาจะทําจะพูดจะอะไรก็ตามก็ต้องสํารวมระวังเพื่แสดงว่าเลิกได้ว่าถูกหรือไม่ถูกการกระทำเช่นนี้เป็นน้ำบัตรหรือไม่เป็นน้บัตรหรือขาดศีลหรือไม่ขาดศีลแต่อดีคนเราเกิดมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ขาดศีลโดยเฉพาะคือสิ่งเสพจิตกระสมบมันหยัดศีลข้อที่ห้าเอาไว้ เพื่อจะสามารถรักษาสีนิสีข้อยได้ดีเพราะบางทีการฆ่ากันก็ดีการรักขโมยก็ดีนั้นทำไปได้ขาดสติและทำไปได้ยความเมาความพึกกระนองแล้วก็สรงบัญญัติสีนิข้อที่ห้าไว้ถ้าคนส ำ, สำรวมระวังได้ในจุดนี้เราก็แก้ปัญหาเฉพาะช่วงที่มันเรียกว่าสต oh ิสัมโมหะคือความเลอะเลือนของสติือแทนที่จะไปเร่งกับสิ่งเจบติดเข้า ก็กลายเป็นปนัญหาสองชั้นปนัญหาเดิมแก้ไม่ไหวอยู่แล้วก็ไปสร้างปัญหาซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกมันแก้ยากแล้วก็ตัดปัญหาซ้ําซ้ซอนแลยพยายามแก้ปัญหาเดิมคือตามปกติแล้วคนรอนดันเขาเรียกว่ามีสติส้มโมองหันคือละ เ, เลือนอยู่เรื่อยร่างเสืออยู่เรื่อยลืมๆอยู่เรื่อยแต่อย่างนั้น จุดมุ่งหมายสําคัญฝึกให้จนมีสติมาคือมีสติอย่างต่อเนื่องไม่มีความความคลั้งพลาดไม่มีความเพลิดเพเมื่อสติอยู่ในระดับนี้ก็เรียกว่าสติที่รักษาตนคุ้มครองตนได้ก็จะกลายเป็นการคุ้มครองรักษาศีลไปด้วยประการละเมิดศีล น, นี่จริงก็คือขาดสติ แล้วก็เหตุที่ให้เราละเมิดศีลก็ละเมิดดึกเพอรสติค์อยู่ด้วยเพราะเราตาสติมีอยู่ไปคุ้มครองศีลด้วยแล้วก็เพิ่มูุนสมาธิด้วยนี่เป็นส่วนของภาวนาระดับที่เรียกว่าสมะถะภาวนาตลวงสอนให้ตั้งสติระลึกอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีข้อแม้ไว้ว่าอารมณ์นั้นจะต้องเป็นกลางๆครับเป็นกุศล เพราะว่าใจมีภูมิท่านทานไม่มากพ อ, อต่อไปเราลึกถึงอารมณ์ที่ไวต่อกิเลสซึ่งสมมติเราสอนให้แผ่เมตตาแล้วไปแผ่ในคนที่รูปร่างสวยงามหรือแผ่ในคนที่รกโกรธเมตตามันจะไม่เกิดแต่จะเกิดเป็นราคะในคนที่สวยงามจะเกิดเป็นโทสะในคนที่รกโกรธ เราลงมาเพิ่มกิเลสด้วยกันทั้งคู่แต่ในขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็เอาเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานได้อาจจะมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งหรือมองมานก็ตายไปแล้วเป็นอารมณ์ของอสุภะกรรมาฐานก็ที่ิงก็เราเรียนจากซากศพของคนคนนั้นอาจจะเป็นผู้สวยงามมาก่อนก็ได้เป็นศตรูของเราก็ได้ แต่ในช้างของการดูสักศพก็มีความละเอียดอ่อนลงไปกเป็นขั้นๆสรุปว่าถ้ายังมีลักษณะไวต่ออารมณ์ก็ไม่ใช่ไวต่อความรักความชังหรือไวต่อพิจาดอูทไหมนัด ก, ก็ไม่ใช่อารมณนะ์นั้นนอารมณ์หลักที่ใช้จึงเน้นไปที่อนาปานเพราะลง ก, กลางๆแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้และเลือกได้ทุกคนทุกแห่ง แต่ในขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันนั้นก็ต้องช่วยหลบโดยการมีสติระลึกรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายอยิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจะพูดจะเอี้ยวตัวจะคู่แขนจะเหยียดแขนจะหยิบของจะสนทนานกับบุคคลอื่นก็ฝึกสติเพิกมนทางนี้เป็นดนหมายความว่าจะต้องฝึกเฉพาะนั่งกรรมฐาน เพระนั่งกรรมฐ า, านเวลาน้อยนิดเดียวฝึกกันขนาดนั้นสติไม่มีมากพอที่จะใช้จนกลายเป็นสติมากมถึงสติได้มันทำมาปฏิบัติทั้งหมดที่จริงแล้วเป็นเครือเป็นการเกลือกูลกันสำนวจมาเลรซียนใช้คำว่าเป็นอัญญะมัญญปะปัจจัยกันคือเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยกันสนับสนุนส่งเสริมกันในแต่ละสาย แต่เนื่องจากในแต่ละสายนั้นมีรากงาวย่างเดียวกันคือสายกุศลก็มีปัญญาเป็นรากงาสายกุศลก็มีกิเลสอวิชชาเป็นรากงาวและเมื่อลดลดด้การเมื่อเพิ่มก็เพิ่มเดียวกันทรงสอนในรูปของภาวนาการภาวนานั้นเป็นส่วนเพิ่มความดีแต่เพราะว่าภาวนาเพิ่มขึ้นผลของภาวนาเพิ่มขึ้นนั้นจะทาให้ความสู้เป็นลด อย่างการมาเป็นสมาธิจนจิตใจของเรามีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแม้ชั่วขณะหนึ่งในขณะนั้นการมาฉันนิวรก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อการมาฉันนิวรณสงบพยาบาดเองแกก็ต้องสงบตามไปท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้รงมระพูทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี